Saranam <laughs> gaccha. ช่วงเวลาของการฟังรมกันในภาคปฏิบัติแต่ว่าสิ่งที่สำคัญของการปฏิบัติคือผู้ภาวนาต้องต้องรู้นะว่า เรามีชีวิตอยู่ก็อาศัยมีรูปร่างและก็มีจิตใจนั่นก็คือทางกายแล้วก็จิตรวมสองอย่างเข้าก็เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ นั้นการภาวนาที่บอกว่าความสำเร็จของการภาวนาจริงๆไม่ใช่ความสำเร็จในทางร่างกายอย่างเดียวและก็ไม่ใช่ความสำเร็จเพียงคำว่าจิตก็ยังมีเหตุที่อาศัย กันอยู่จริงคำว่าศีนกายก็ต้องรักษาแต่ส่วนใจนั่นก็เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นประทานคนเราถ้าใจดีทุกอย่างก็ดี การกระทาก็ดีคำพูดก็ดีอาศัยกันแต่ว่าใจก็ยังเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานผู้ภาวนาตอนนี้เราก็เข้าใจว่าอะไรเป็นใหญ่จิตเป็นนายใช้คำนี้ก็ได้แล้วก็กายเป็นบ่าว ธรรมะได้เคยทดสอบหรือว่าทดลองว่าจริงหรือเปล่าว่าจิตเป็นนายแล้วก็กายนั้นเป็นบ่าวก็อยากรู้เหมือนกันธรรมะบอกถ้าจิตสบายจิต เป็นกุศลเป็นไงโยมฟังแค่นี้เรารู้สึกแล้วว่าจิตสบายจิตเป็นกุศลจิตมีเมตตาจิตผ่องใสจิตมีความอิ่มเ อ, อิบเบามีความสุขภายในจิตเย็นหมดเลยสบาย ชีวิตก็เย็นร่างกายของโยมก็เย็นไปด้วยการกระทำทุกอย่างก็จะไม่อยู่ตรงกันข้ามกับจิตถ้าตรงกันข้ามนี้เขาเรียกว่าเสแสง้งแต่นี้เราไม่ใช้คาว่าเสแสง้งเราใช้คาว่าที่เกิดขึ้นตาม เหตุความจริงที่มีอยู่ภายในการแสดงออกมาเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งสายตาก็ไม่ไม่แข็งกร้าวคำพูดก็ไม่ก้าวร้าวการกระทําก็ไม่ ไม่หยาบก้านเกินหรือไม่หยาบหยาบคายไม่ใช้ความรุนแรงใช้กาลังใช้แรงนี้เอาไว้ทํางานเพื่อต้องการใช้กาลังเราก็ออกกาลังอย่างขุดดินอย่างเงี้ยยกของอะไรอย่างนี้ต้องออกแรงเยอะ นี่เขาเรียกว่าใช้ใช้กำลังใช้แรงที่ถูกแต่ไม่ใช่ว่าใช้ความรุนแรงนั่นเป็นเพราะอะไรใจของเรามีความสุขอุยมสังเกตเวลามีความสุขเห็นไหมมันมันเป็นชีวิตสีขาว เป็นชีวิต ท, ที่มันมันสดชื่นอันนี้คือสิ่งที่เรากำหนดพิสูจน์ก่อนแต่ทีนี้แต่มาจะเปลี่ยนโยมแล้วใจร้ายใจร้อนอุดอัดงุดงิดชุนเฉียว เครียดจัดข้างในรู้สึกมันมันแค้นมันอึดอัดไปหมดฟังแค่นี้ต่อมาก็จะเป็นบ้าแลวโยมจะเป็นแล้วคำที่จะพูดนี้มีแต่คำ หยาบคายหรือคำที่ก้าวร้าวออกมาสิ่งที่จะทำก็จะแสดงด้่ความรุนแรงออกมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ากายเนี่ยอาศัยความสัมพันธ์ที่ออกมาจากจิตที่เป็นนายเขาบอกให้นั่ง ก็นั่งจอเตรียมเตรียมเตรียมเตรียมจอให้นั่งเฉยๆนั่งดีๆเห็นไหมบอกใจบอกเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวไปลุกขึ้นอาบน้ำอาบท้าแต่งเนื้อแต่งตัวทาหน้าทาตาไปแล้ว ริง่งย่ว่ากายขับแต่ว่าจิตสั่งให้ขับนะจิตสั่งให้ไปอโยมลองคิดถึงใครไปปุ๊บเดียวว่าจะไปหาเออเดี๋ยวก่อนไปโทรหาก่อนคิดถึงคุยไปคุยมาหายคิดถึงแล้วไม่ไปแล้วเมื่อเรารู้ว่าใจเนี่ยมี มีอำนาจมีความเป็นใหญ่เป็นหัวหน้านะเราจะต้องมีสติให้มากเพื่อจะได้ดูแลรักษากรรมจิตเส้นโยมต้องปฏิบัติให้เป็นบิญญาณขาว โยมต้องเริ่มทามตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะอะไรเพราะเราชีวิตที่จะมีโอกาสบำเพ็ญบารมีเนี่ยมันสั้นแต่มากอดใช้ว่าเป็นชีวิตที่อันสั้น แล้วก็ยากยากที่จะเกิดมาได้เพียนเพ่งปฏิบัติภาวนาจนสามารถรักษาศีลได้อย่างเป็นผู้มีปกติเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบสิ่งเสพติดไม่ต้อง อาใจยามุกน้อยใหญ่เราก็ไม่เข้าไปยุคเกี่ยวมันก็ยากโดยเฉพาะเราจะรักษาจิตของเราให้สงบในยุคที่วุ่นวายนะยาก ยากกว่า น, นั้นจะทำให้ใจนะไม่อยากในสิ่งที่มีสิ่งมา ย, ย่่ยยุกเนี่ยก็ยากไปอีกยากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราสัมผัสรู้อยู่เนะี่ยมันเป็นของชอบใจมันเป็นของที่เราติดใจอยู่ก็เยอะฉะนั้นก็ต้องฝึก พยายามฝึกกำหนดจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยต้องให้อยู่ในภูมิของของเทพทั้งหลายดนั้นกรอบของโยมที่จะปฏิบัติที่ว่าเป็นเทวธรรมโยมก็ต้องมีแล้วคำว่าความละอายกับความสะดุ้งกลัวต่ออากูศนบาปกรรมทั้งหลาย ให้เป็นวิญญาณขาวถ้ายมยังเป็นวิญญาณดำอยู่เนี่ยชีวิตมันจะมืดคิดอะไรก็ไม่ค่อยรู้ความจริงและต้องการแค่มาสนองความอยากสนองความกำหนัดสนองสิ่งที่ใจของเราเนี่ย มัวเมาลุ่มหลงแล้วสุดท้ายชีวิตของเราก็ตกต่บขาดความสุขขาดความสว่างเป็นชีวิตที่มืดจันโยมดูว่าใจเราสว่างไหม ใจเราสงบไหมใจเราสะอาดไหมใจเรามีสุขไหมถ้าทุกอย่างมันคานกันแสดงว่าเราต้องทำอะไรให้กับชีวิตที่เหลือน้อยอันสั้นเนี่ยเพื่อให้เรามีสุขติ ฉันก่อนโยมจะไปอยู่วิมานชั้นไหนในสวงสวรรค์โยมต้องเกิดสร้างวิมานให้มีอยู่ในจิตของผู้นั้นก่อนโดยเฉพาะโยมจะต้องมีวิมานแห่งธรรมโยมต้องสร้างธรรมขึ้นมาก่อนถ้าเราไม่สร้างใจเราเนี่ย เหมือนไม่มีที่อยู่ยมสังเกตไหมเหนื่อยนะคนที่ส่งจิตตะลอนตะลอนตลอนไปจนไม่รู้ว่าจะหยุดยังไงก็ไปเหมือนคนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่หาความสุขไม่เจอก็ ตลอตลอตลอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแสงว่าไม่ใช่ล่ะท่านโยมต้องสร้างวิมานให้เกิดขึ้นในจิตของเราให้มีเทพประบุเทพธิดาเกิดขึ้นภายในจิตของเราเรื่องจริงน่ะ ไม่ใชอ่อยู่บอกข้าพเจ้าขอเป็นนางฟ้าขอขอเป็นเทพธิดาไม่ใช่ของที่ขอแล้วก็ให้กันได้ไมันต้องเป็นผู้สร้างบารมีเอาจิตของผู้ภาวนาเนี่ยเข้าใจวิมานนะเข้าใจความเป็นเทพเป็นพรม เป็นนางฟ้าเทพิดาหรือเปล่าถ้าโยไม่เข้าใจธรรมาว่าก็ยังห่างไกลอยู่โยงเข้าใจแต่ความเป็นมนุษย์ที่ต้องแย่งกันชิงกันตบตีกันทะเลาะกันเอาชนะกันตรรมาบอกมนุษย์ สุดท้ายไม่เห็นใครใชนะใครทุกคนก็ตายหมดเพียงแต่ว่าตายก่อนตายหลังแล้วก็ตายแบบไหนสภาพแบบไหนก็ตายหมดแต่ว่าตายแล้วเนี่ยเรานะ ยังมีความสุขต่อไหมหรือหรือว่าตายแล้วเดี๋ยเรามีแต่ความทุกข์ต่อซึ่งยังไม่รู้เลยว่าความตายเนะี่ยยังมีพบแห่งความเกิดแล้วก็ความเกิดยังมีพบแห่งความตายนะที่บอกช่างไม่รู้เสีเลยเนะี่ยจริงๆมันก็น่าสงสาร ตอนนี้จะมาบอกเลยว่าไม่คิดอิจฉาริษยากับใครอีกเลยเพราะเรารู้แล้วมันไม่มีความจำเป็นเลยเรื่องจริงนะใครจะดีใครจะเด่นใครจะอะไรอะไรที่เรารู้สึกอืม ยินดีกับเขาด้วยหรือเฉยๆเราไม่จำเป็นต้องไปเต้นตามทํานองของกิเลสตันหาไม่กี่วันเขาก็ผลักล้มหมดท่านโยมต้องสร้างธรรมะขึ้นในจิตก่อนด่นโยมจะอยู่คำว่าร่มเย็นเป็นสุข ใครอยากจะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขเดีย๋ยวไปหมายว่านั่งอยู่ใต้โคนไม้แล้วก็จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคนอยู่ป่าก็ร่มเย็นเป็นสุขมันไม่ใช่มันต้องมีปัญญามีจิตราเข้ามาจะได้เข้าใจมากกว่า เพียงแต่สิ่งภายนอกที่แลเห็นอยู่ฉันยมจะต้องสร้างธรรมะขึ้นมาบ้านช่องก็ยังสร้างได้ยังหาอิดหาหินหาทรายหาไม้เอามารวมรวมผสมประสานกันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยได้สัตว์เขาก็ยังสร้างได้เดียว โยมอยากเข้าใจว่าวมนุษย์สร้างบ้านเป็นอย่างเดียวโถพึ่งก็สร้างเป็นเขาสร้างเก่งด้วยรางพึ่งรางต่อเขาก็สร้างเก่งปลวกก็สร้างบ้านเหมือนตึกสูงดูตัวเขานิดเดียวนกเขาก็สร้างราง เขาสร้างถ้ามนุษย์สร้างเป็นแค่ที่อยู่ภายนอกแต่มาว่าไม่เก่งกว่าสัตว์เลยไม่เก่งกว่าแต่มนุษย์ที่เหนือชั้นกว่าก็คือเราสร้างธรมขึ้นมาเราสร้างธรรมะ เ, เนี่ย บางคนทั้งชีวิตไม่ได้สร้างเลยมินำซ้ำเนี่ยไปอยู่อีกฟากหนึ่งแต่ว่าพวกเราเราผู้เพียรเพ่งภาวนาผู้ปฏิบัติผู้สดับรับฟังโยมเริ่มสร้างความสงบขึ้นมา ทำข้อไหนที่ทำให้ใจสงบโยมก็ไปค้นหาโยมสร้างใจทำยังไงให้ใจของเรานั้นมีเมตตาโยมก็หาทำขึ้นมาสร้างาหลังคามีไว้กันนะการฝนกันแดด กาแพงประตูหน้าตาก็มีหลากหลายโยมก็เอาเสียว่าเราจะทำตรงไหนมาปิดมากั้นก็ต้องพิจารณาก็สรวิโยมเอาธรรมะมาสร้างใจโยมแล้วให้มีความสุขกับธรรมะที่อยู่ในใจนั่นแหละ เราจะไม่ต้องไปเหนื่อยวิ่งตะลอนตะลอนตะลอนไปหาความสุขที่เป็นเพียงฉาบช่วยกระบอกสวยก็ไม่ทนทานพอเราผ่านไว้หนึ่งความคิดเราก็เปลี่ยนไปจุดเราผ่านไว้หนึ่ง การแต่งเสื้อผ้าก็เปลี่ยนไปไวหนึง่งเราก็เปลี่ยนแต่ธรรมะที่สร้างใจเราเนี่ยไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนมีแต่ว่าเราจะต้องรักษาให้ดีที่สุดเพราะว่า ตั้งแต่เราสร้างธรรมะขึ้นมาในจิตโยมมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรที่ให้ได้โยมก็รู้จักให้อะไรที่อภัยได้ก็รู้จักอภัยอะไรที่สละได้เสียสละได้ก็รู้จักสละและก็เสียสละ นั่นคือการอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข mm hmm. เขาเรียกว่าแบ่งปันจากะแบ่งปันกันและโยมก็จะเข้าใจเองว่าเราจะสร้างวิมานขึ้นมาอย่างไงทั้งทั้งที่ยังไม่ตายนะโยมไปเข้าใจว่าพอตายเสร็จ แล้ววิมานก็เกิดขึ้นอาตมา ก, กล้าที่จะบอกผู้ภาวนาว่าถ้ายมละเอียดพอโยมจะรู้ถึงกรรมวิมานที่เกิดขึ้นด้วยกุศลแห่งกรรมดีเหมือนเรานั่งอยู่ในบัลลังก์แห่งกุศลตรงนั้นมันจะไม่ร้อน จะมีความเย็นหล่อเลี้ยงจิตจะมีความร่มเย็นปกคลุมอยู่ในชีวิตถึงเราจะไม่ร่ำรวยล้นฟ้าไม่ร่ำรวยเท่ากับคนนั้นคนนี้นะแต่ว่าความสุขภายในของเรามีไม่น้อยกว่าใครที่เดินอยู่ในพื้นแผ่นดินโลกใบนี้ และโยมจะอยู่อย่างผู้ที่ไม่หวั่นไหวนะสังเกตดูใครที่อยู่แบบเป็นผู้ที่หวั่นไหวมากๆนะเสียศูนหมดเลยจะสวยไม่สวยขาวไม่ขาวดำไม่ดำก็แล้วแต่สูงไม่สูงเตี้ยไม่เตี้ยกันแล้วแต่จะเสียศูนย์ถ้าอยู่แล้วหวั่นไหวมากๆนะี่จมาบอกวันนี้ท่านใช้หมดไปแล้ว เปลี่ยนมันก็ไม่ได้เพราะนั่นคือชีวิตที่เราใช้และจบไปแล้วฉะ้นวันนี้เราต้องทำแต้มให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะวันนี้เราจะอยู่อย่างมีความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะอะไร เพราะชีวิตที่อยู่อย่างมีทุกข์แม้วันเดียวมันก็ไม่น่าอยู่ใครก็ไม่อยากจะอยู่เราเองก็ไม่ปราถนาไม่ว่าใครฉะนั้นทุกคนวันนี้เราจะอยู่อย่างมีความสุขให้ได้มากที่สุดถ้าจะทุกข์ให้ทุกข์น้อยที่สุด ถ้าใครอยู่ได้อย่างนี้ตมาบอกโอ้โหคนนี้เจริญสติเข้าใจจิตอย่างท่องแท้พยายามรักษาจิตให้มากกว่ารักษาสิ่งใดๆอายมเชื่อไม่บรรดาเหล่าพระอริยะตั้งแต่โซดามันจนถึงอารหาหันตะผล สิ่งที่จะมาเห็นอย่างหนึ่งท่านจะรักษาจิตมากกว่าสิ่งใดใด้าจะยอมสูญเสียท่านจะยอมสูญเสียทุกอย่างที่อยู่ภายนอกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุมีค่าสักแค่ไหนท่านจะไม่เห็นสิ่งไหนสำคัญกว่าท่านจะรักษาใจ ที่บริสุทธิ์อันสูงสุดแต่มาจิงบวตจิตท่านเป็นใหญ่พอท่านถึงคุณธรรมขั้นสูงแล้วนั่นคือความสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่ไม่มีวันหลอกอีกเลยนะแต่ไอความสำเร็จอย่างที่พวกเราเป็น ได้วัตถุมาชิ้นนี้บอกสำเร็จได้งานนี้มาชิ้นนี้บอกสำเร็จแต่มันไม่ได้หมายว่ารวมหมดแล้วชีวิตในความสำเร็จขั้นสูงสุดวัตถุยังไปไม่ถึงก็ดูพระเดจจ้าต้องสันละจากสิ่งมีสิ่งเป็น มาสาเร็จในด้านจิตอันสูงสุดถ้าไม่สละออกมาพระองค์ก็ไม่พบความสาเร็จอันสูงสุดจะด้านเราเป็นผู้ภาวนาดูจิตตอนนี้โยม สร้างธรรมะจิตได้เสพธรรมะไปถึงไหนละดูดดื่มไหมดื่มดำไหมชุ่มชื้นอะไรอย่างข้างในจิตโยมต้องกำหนดถ้าอย่างอะไรเป็นสิ่งติดขัดอะไรเป็นสิ่งขัดข้อง อะไรเป็นสิ่งมัวหมองและอะไรเป็นสิ่งที่กั้นจิตนั้นไว้โยมจะต้องทำสิ่งนี้ให้แจ้งต้องทำให้แจ้งนะไม่เช่นนั้นนพวกเราเนี่ยจะไม่มีวันพ้นทุกข์ได้จบเรื่องหนึ่งก็มาเรื่องใหม่ เหมือนละครหลา ย, ลายเรื่องเปลี่ยนบทเปลี่ยนตัวแสดงแต่ว่ามันก็ยังเล่นไปตามบทอีกโยมต้องกำหนดพิจารณาว่าอะไรที่ไม่ทำให้เรารู้แจ้งได้ทำให้เรายังลุ่มหลงมัวเมา และสิ่งเหล่านั้นโยมมองเห็นโดยความเที่ยงหรือเห็นโดยความไม่เที่ยงาต้องกำหนดจริงๆแล้วมาพูดเล่นบอกรอเล่นนไม่ได้ปฏิบัติมารอเล่นกับจิตนไม่ได้ชีวิตบางอย่างบางเรื่องเนี่ยรอเล่นไม่ได้ เราเล่นกันมาพอแล้วสนุกก็สนุกกันมาพอแล้วทีนี้ทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีภูมิธรรมรักษาจิตมีศีลธรรมนะคุ้มครองชีวิตและเราจากโลกนี้ไปอย่าง ผู้ไม่มีกังวลผู้ไม่มีความทุกข์ร้อนแต่ในคติพบที่เราจากไปเนี่ยเราก็ไม่ตกต่ำในพบที่เราต้องไปเวียนอยู่ด้วยความเกิดเช่นโยมต้องเลือกละ มันเป็นโอกาสที่โยมจะเลือกอยู่มีวิมานเกิดขึ้นในจิตมีสิ่งสถิตอยู่ในใจอันเป็นสิ่งงดงามและโยมก็ได้เสพในกุศลที่เราได้สั่งสบอบรมบารมีไว้ในตมาเชื่อถ้าโยมเดินถูกสองปีสามปีทั้งหมน เปลี่ยนเหมือนอีกคนหนึ่งนะเปลี่ยนตรงไหนหรู้ไหมโยชีวิตคนนี้เริ่มดับเย็นลงเรื่อย เ, อเชื่อเถอะดับเย็นแต่ต้องมันแผ่เมตตาอุทิศ ส, ส่วนบุญกุศลด้วยนะให้เจ้ากรรมในเวรด้วยให้ปัรพบุรุษของเราด้วย แล้วก็เราหมั่นรักษาศีลปฏิบัติเข้าฌานฟังธรรมเจริญวิปัสสนาละโลภโกรธหลงในที่สุดพอโยมได้สัมผัสคุณธรรมเอาแค่เทวธรรมวิบารณของเทวธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเรามองมนุษย์เนี่ยเราเห็นชัดขึ้น จนบางทีเรารู้สึกมนุษย์นิสัยชอบแย่งชิงและชอบชิงดีชิงเด่นบางคนก็ชอบอวดมั่งอวดมีอวดดีกรีว่าตนนี้ไม่ธรรมดานะจริงๆเนี่ยจะตายอยู่ไม่กี่ปียังบอกฉันไม่ธรรมดานะ น่าสงสารนะคนที่เขามีคุณธรรมในระดับหนึ่งเขามองเราเนะี่ยเขาไม่มีความอิจฉาริษยาเลยเขากลับมองด้วยความสงสารแล้วก็สมเพศด้วยเวทนาวะแม้สติก็ยังระลึกไม่ได้สัมชัญญะก็ยังไม่รู้สึกตัวเองว่าเรากำลังวนอยู่กับ ชีวิตที่มันไม่พ้นทุกข์แล้วก็ไปหาแค่ความสุขที่มันไม่จีรังยั่งยืนโยมต้องมองให้เห็นก่อนว่าความสุขของมนุษย์เราเนะี่ยมันฉาบฉวยมันฉาบทาไว้พอกระเทาะจริงๆนะไม่ใช่ทองแท้นะ โดนห่อโดนชุบไว้ยุมมองให้ลึกๆหน่อยนะผ่านไปห้าปีสิบปีแล้วมันก็ไม่ใช่ก็ดูแค่คนเสพยานะเหลือเชื่อไม่ต้องไปซื้อนะยาเสพติดแพงก็แพงผิดกฎหมายอีกถูกจับติดคุกติดตารางอีกแล้วก็ภัย ในสุขภาพร่างกายก็เกิดมากอีกแต่ทำไมคำว่ามนุษย์ยังหลงเชื่อว่านั่นเป็นสุขได้แล้วก็ยังเชื่อเสนิทจะว่านี่แหละทางหลุดพ้นใส่มันเข้าไปหลายวิธีทั้งกินทั้งสูดทั้งดมทั้งฉีด สารพัดสารเพยังไม่ได้สติสัมมาทิฏฐิยังไม่ได้เกิดยังเห็นผิดจากครองธรรมปว่าอออคนไม่มีครองธรรมก็ครองใจไม่ได้น่าสงสาร คนที่ครองใจตัวเองยังไม่ได้ก็เป็นเหยื่อของสิ่ง ย, ย่อยุคนเหล่านี้จะไม่มีความอดทนอะไรเลยโยมจำคำนี้ไว้คนที่เสพจิตทุกชนิดทุกอย่างจะไม่มีความอดทนต่อสิ่งใดๆเลยและโดยเฉพาะสิ่งที่มีการ ย, ย่อยยุด้วยยิ่งไปกันใหญ่ เขาไม่มีแต่ผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติภาวนาพวกเราจะต้องฝึกความอดทนเนี่ยต้องฝึกเยอะหน่อยไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสใจถูกต้องโยมได้เสพได้รู้สิ่งไหนแล้วเราต้องอดทนวางจิต วางใจให้ได้ไม่อย่างนั้นโยมจะเป็นคนเสพแล้วติดพอติดแล้วจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับสิ่งที่เราติดโยมสังเกตมายอมติดอะไรใจก็อยู่ตรงนั้นกายนั่งอยู่นี่นะแต่ใจนู่นพอได้โอกาสก็ไปแล้วไปเสพสิ่งที่เราติด กิเลสก็คือสิ่งเสพติดทางจิตวิญญาณเหมือนกันร่างกายก็เสพสิ่งเสพติดที่เป็นสารต่างๆของทางร่างกายก็อีกอย่างนะสรุปว่าคนๆนั้นไม่อดทนต่อสิ่งใดๆไ ด, ได้น่ากลัวนะ แล้วพอถึงเวลาก็ทำได้ทุกอย่างที่ไม่คาดคิดแม้แต่ก็ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมานคนคนนี้ก็ไม่อดทนต่อพ่อแม่เลยเดะบางทีก็ไปทำร้ายท่านไปเยอะแย่งท่านทุบตีท่านใช้คำหยาบคายกับท่าน เราไม่สมควรจะพูดว่าเราไม่ผิดยังไงยังไงความกตัญญูเมื่อเราได้ทำร้ายท่านชื่อว่าไม่กตัญญูมันก็ผิดเราไม่ได้ใช้ความคิดที่ละเอียดเราใช้แต่ ความขัดแย้งมาเป็นตัวตัดสินวกไม่ได้เนจะนผู้ภาวนานะต้องกาหนดว่าใจเราอยากอะไรจิตเราปรุงแต่งติดอกติดใจอยู่กับสิ่งใดกำหนดให้มากจุดนี้กำหนดแล้วให้จิตนั้นนิ่งได้ด้วยนะถ้าไม่นิ่งแสดงว่าเรายังไม่อดทนเหมือนกัน อาโยมจาได้ไม่ต้อมาบอกเคยฝึกพระฝึกหลายชั่วโมงต่อกันเป็นสิบหสบปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงให้ต่อเนื่องน้ําท่าไม่ให้อาบนั่งไม่ไหวลุกเดินเดินไหวก็นั่งนั่งไหวยืนยิ้มไหวเดินนั่งแต่มาก็นั่งดูรู้รู้ว่าอินทรีย์ท่านอ่อนรู้ แล้วก็บอกท่านที่งุดหงิดอยู่ชุนเฉียวอยู่สติตั้งไม่ได้ใจไม่สงบอารมณ์ไม่ปกตินั่นให้รู้ไว้ที่ท่านไม่สงบเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้สงบกิจที่ชุนเฉียวงุดหงิดนั่งดูมันดูจนกว่ามันหายไป นั่งจนเหงื่อแตกจนเหงื่อนั้นเย็นลงอยากร้อนั่งจนเย็นดูไปความคิดที่ฟุ้งซ่านดูมันจนความคิดนั้นมันดับถ้าจะฝึกต้องฝึกถึงขั้นนี้ถ้าฝึกพอเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วก็สนองตามต่อมาบอกสิบปีเหมือนยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเล็าเรียกฝึกยังไม่เข้าใจ ไฟไม่พอหุงข้าวมันก็สุกๆุดิบดิบธมา ม, มีวิธีของตรรมาหน้าบุรหน้าเบี้ยวขึงขังตรรมาบอกรู้รู้เราผ่านมาแล้วแต่ท่านยังไม่รู้ว่าท่านกำลังหดหดและท่านต้องการแสดงและเรียกร้องความหดหดให้มันฉนอง มเราไม่ต้องการให้ท่านสนองแต่เราต้องการให้ท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดแจ้งและอยู่กับสิ่งนั้นจนกว่าสิ่งเหล่านั้นเบาบางบรรเทาลดลงจนสงบแล้วก็สิ่งนั้นอันตรธานหายไปเหลือแต่สติกับจิตของท่านเท่านั้นได้ผลฝึกกันอย่างนี้ได้ผลแต่ถ้าฝึกแบบ นั่งไม่ได้ฉันไม่นั่งแล้วลุกหายใจหุดหา้หดหาด้วยหน้ามันจะถอนหลักหนีแล้วแต่มาไปที่ไหนก็หนีอีกหนีอีกหนีจากที่นั่นมาที่นี่จากที่นี่ไปที่โน่นไปอีกสุดท้ายท่านไม่มีแรงที่จะหนีแล้วก็ล้มลง มอบชีวิตให้กับความตายที่ท่านไม่ได้ต่อสู้ในเรื่องของภพภูมิเลยตต่มาบอกสิ่งที่สูญเสียที่สุดไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่คนรักไม่ใช่สมบัติแต่ท่านสูญเสียจิตวิญญาณแห่งภพชาติที่ท่านเกิดมาแล้วท่านไม่ได้ต่อสู้ในภพภูมิที่เกิดเลยชาติที่แล้วเป็นยังไงชาตินี้ สันดานจิตของท่านไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเป็นความสูญเสียที่ประเมินไม่ได้เอาบ้านหลังหนึ่งถูกฝนถูกไฟถูกน้ำพัดพาประเมินได้นะสิบล้านห้าล้านร้อยล้านก็ว่ากันไปแต่การสูญเสียจิตวิญญาณ ในพบชาติของคนคนหนึ่งประเมินไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่วัตถุวัตถุจึงประเมินไม่ได้คนเวลาทุกขโยมเชื่อมถ้ามันซื้อได้ทุกเนี่ยพันล้านเขาก็ซื้อหมื่นล้านก็มีคนซื้อ พอจิตมันทุกเปิดบริษัทขายยาใหม่บริษัทฟาร์มซีดับทุกจำกัดโอ้ผลิตยาสามารถจะพกสักพกไว้วันหนึ่งอย่างน้อยทักยามหนึ่งก่อนพอทำท่าจะทุกข์ก็เปิดซดนั่งยิ้มทุกขายแล้ว มันไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่ได้มันก็คือไม่ใช่เพราะถึงจุดนี้จะมาบอกโอ้เราเสียเวลากับความไม่รู้มาทั้งชีวิต กว่าจะรู้บางทีสังขารร่างกายอวัยวะของเราเนี่ยมันบอกแย่แล้วหรืออีกในหนึ่งบอกฉันไม่ไหวแล้วเห็นไหมร่างกายนี้มันจะทิ้งชีวิตแล้วนะแต่ชีวิตมันบอกหย่าเลย เดี๋ยวฉันจะพาไปหาหมอเริ่มพูดไม่ค่อยชัดแล้วฉันจะพาไปหาหมอเดินายหมอก็มาอยู่อีกเนี่ยจะกินยาอะไรดีมันเปลี่ยนนะโยมไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะเลี่ยนหมออยู่ป่านี่นี่หมอล่ะอไหนพูดดังๆสิ มันเปลี่ยนไปแล้วร่างกายมันไม่เหมือนเดิมอย่าเข้าใจว่าอยู่หกสิบเจดสิบปีนี้จะจะแบบเหมือนกับที่เราพูดอยู่ตอนนี้โอ้เข้าใจอะไรผิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายร่างกายนี้จะทิ้งชีวิตและจิตวิญญาณ น, นี้ มันจะไปไหนต่อยมถึงพตมาบอกไว้แล้วในเบื้องต้นว่าเราต้องสร้างวิมานเห็นไหมกลับมาตรงนี้ล้เราต้องสร้างวิมานโยมต้องรู้ว่าเราไปไหนที่พึ่งของเรามีอยู่ที่ไหนใจโยมรู้นี่ตอนนี้พอเราปฏิบัติเรารู้แล้วเรามีสมบัติอะไรอยู่เรามี บุญบารมีอะไรอยู่เราจะไปไหนใจยมรู้เราไม่รู้สึกอดูร้อนใจเลยว่าชีวิตจะต้องตายเนี่ยบอโอ้ฉันอยากตายมานานแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาฉันก็เบื่อไอความเก่าค่่ำคร่าของร่างกายนี่แหละอยากจะไปแล้วรูปที่สวยกว่าเดิมยมไม่อยากได้หรือ พบภูมิที่มันมีแต่ความสวยงามความเย็นด้วยบุญที่เราเล่นสั่งสมไว้ท่านตาจรจึงบอกว่าท่านต้องสร้างทำให้เกิดขึ้นเป็นที่พึ่งในจิตก่อนแล้วสิ่งนั้นจะเป็นทุกอย่างในชีวิตใหม่ของความเกิดในจิตดวงดวงหนึ่ง อยาเข้าใจนะว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นมนุษย์อีกหมูหมากาไก่เยอะแยะที่เคยเกิดมาอยู่ในภูมิของมนุษย์และต้องกลับไปสู่ในภูมิของสัตว์เดราาัจฉานเรื่องนี้ไม่ใช่ตา ม, มาพูดเองสามารถยืนยันได้หลายๆสูตรเอาแค่สูตรของอช้าง ที่มาคอยดูแลพระพุทธเจ้าพอสิ้นชีวิตเป็นเทพพบุตรทันทีลิงก็เหมือนกันได้มาคอยดูแลพระพุทธเจ้าพอสิ้นไปอันกุศลที่เกิดขึ้นก็ไปเป็นเทพพบุตรลูกเศรษฐีก็เหมือนกัน พอตายเสร็จก็บังเกิดเป็นเทพพบุตรมัทกุลทะีพอ่อนี่ี้เนี้จริงๆแต่ลูกชายพอตายพบภูมิเนี่ยไปบังเกิดเป็นเทพพอบุตรครั้งคราวที่อยู่ในถ้ำฟังพระสาธยายไปสาธยายมาเพลินจนตกลงมาตาย ก็ไปบังเกิดเป็นเทพพอบุตรเห็นไหมผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ในชาตินี้ก็มีพอตายเสร็จเกิดเป็นสุนัขยังพาไปหาทรัพย์ขุดทรัพย์ให้ดูได้โยมอย่าไปหมายว่าเราเป็นมนุษย์แล้วจะต้องเป็นมนุษย์บอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าลงจาก ดูสิในชั้นดูสิเทพแล้วลงมาสู่คันของพนังสริมหามายาแล้วก็ประสูติจากเทพลงสู่คันจากคันออกมาเป็นมนุษย์เห็นไหมโย ภูมิพบไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนได้ถึงบอกถ้าเราไม่สร้างทำให้เกิดขึ้นในจิตเราไม่ได้สร้างให้จิตของเราในมีบุญกูสดมีวิมานทิพย์ไว้บ้างดูเหมือนจะไม่มีที่พึ่งนะบุญไม่มีเนะี่ยและยมจะพึ่งอะไร ก็ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ไปกับเราตายกันหมดเขาก็ไม่รู้จักหลังวันที่โยมตายวันเดียวเขาก็กลัวโยมแล้วเชื่อไหยล่ะลองนอนนอนอยู่ลอ ง, ล, องลงเขเย่าดู ด, ดิวิ่งไปหาพระนั่นแหละให้พระมามัดใหม่นั่นแหละมีใครบอกไหมมาที่ตามมาบ้านเดียมันนอนด้วยกันมา ถามดิในที่นี่จะมีสักคนไหมมามานอนด้วยกันเธอตายแล้วฉันก็ยังมองเธอเหมือนคนไม่ตายมาันั่งกินข้าวด้วยกันมาเรียกไหมละ่ะไม่มีอ่ะมาหอนี่คุมหัวและคุมโปงก่อนแล้วครัวไม่ต้องใครแต่มายังกลัวเลยยศตอนเป็นเด็กกลัวญ่าตัวเองแต่ทั้งนี้ก่อนมีชีวิตอยู่ก็หลอกไปเอาเงนอยู่บ่อยอย่าไปบอกท่านนะ พออยากกินขนมก็ไปแล้วแต่ก่อนจะได้เงินย่าก็ไม่โง่นะใช้หลานซะก่อนให้นวดให้เหยียบจนหนำใจดึงให้เงินโอ้ยกว่าจะได้สักบาทจากเงินเชียนหมากที่ใส่ไว้เนี่ยแม่เราก็นึกเมื่อไหร่จะพอเนี่ยยา่าเอ้ยเอาเร่งแรงดีกว่ามั้งนวดเน้นเน้นหน่อยเอาเอาส้นเน้นเน้นหน่อยเดี๋ยวก็ช้ำหรอกเออ ไปพอแล้วโอ้พอพอเสร็จลืมประเพณีหรือเปล่าเนี่ยใช้เสร็จก็ต้องตบทิปด้วยพออญาตายแล้วนะโยมเอ้ยเป็นเด็กก็ไม่รู้หรอกน่าจะเจ็ดแปดขวบขึ้นไปดูที่เขาเผาด้วยตามบ้านเขาใช้เป็นบันไดสามขั้นสองข้างนะแล้วก็แยกกลางแล้วเอาไม้ฟืนใส่เขาเรียก แบบไหนก็ไม่รู้แต่ตามาใช้ภาษาตะามาเอาไม่ฟืนใส่เอาอยางล้อรถใส่พอขึ้นไปดูโอ้ยเหม็นก็เหม็นก็บอกไม่ให้พูดแต่พูดไปแล้วนะมองตอมาหน้าซิดโอ้ตะมาจะเป็นลมไหมกิ่นติดตาเห็นติดติดเลยตกลับบ้านตายแล้ว พอมืดเข้ามาอยู่กับหน้าเลยเนี่ยเป็นไปได้จะเพิงเปิดไฟไม่ได้สนะวิทช์ไฟในเห็นหน้าก่อนเอาเกียกินไปอยู่ในจานข้าวไปกินยังไงที่บอกนิมิตติตาดมาไม่เข้าใจนะเนี่ยเราได้ตอนเป็นเด็กยังไม่รู้นะเนี่ยไม่รู้อ๋อนี่เป็นนิมิตติตาเป็นอสุภะ นิมิตเกิดขึ้นให้เราเห็นแต่ว่าตอนนั้นเกิดความกลัวไม่ได้เกิดเป็นธรรมะว่าเราต้องเจริญสติและลึกเห็นความตายให้จิตเราเกิดความสลดน้อมไปสู่ธรรมะตอนนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตน้อมไปสู่ความกลัวอย่างเดียวกลัวแต่พอตอนบวชตอนหลังพอเดินกรรมาฐานพอคนตายหมู่บ้านไปนั่งเพ่ง ให้มันติดตาเนียดันไม่ติดีกดูดิจ้องเลยตาไม่กระพริบเลยเปิดลงเอาน้ำมะพร้าวล้างเสร็จก็จ้องมองบวมๆก็มีบางคนก็เสือ้อกระดุมนิเบ่งจนเสื้อปรินโยมอมอ๊คนตายทำไมมันอ้วนได้เลยโยม เขาเขาเรียกว่าอ้วนหรือพองก็ไม่รู้เพราะไม่ได้กินก็ยังอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นสมาก็จ้องให้ภาพติดตาจะได้เอาไปเจริญกรรมาฐานน้อมจิตไปสู่กรรมาฐานเพลงจริงๆเพลงเป็นสองนาทีเพลงมองให้ติดเป็นนิมิต มันก็ได้ส่วงชั้นๆนะมองปุบจิตมันก็สลดลนะเดินกลับไปวัดป่าเดินจิตไม่ได้ส่งไปไหนก็กำหนดเขียนความตายอยู่แต่ไม่นานในมิตนั้นก็จิตพอน้อมไปมันก็มันเหมือนมันมันจางไปไม่เหมือนย่าย่านี่โอ้โหติดติดจริงจติดจนกลัวเลย ฉนันเวลาเราจากไปนายโยมเขาไม่พูดถึงเราอีกแล้วพวกเรานี้เป็นอดีตทีนี้โยมจะหวังพึ่งใครพระเจ้าตรัสไงแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งของตอนเนี่ยถูกสุดๆเเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชีวิตหลังความตายโยมรู้ไหมว่าพวกเราท่องเที่ยวอีกนานแค่ไหน ในภพในชาติในสังสารละทุกขที่วนเวียนอยู่ในภพในภูมิเนี่ยสามส่าเ็ดภูมิเนี่ยเราจะไปอีกแค่ไหนไม่มีใครช่วยเราได้เลยมันเป็นชะตากรรมของคนคนนั้นถอเออพอเราเข้าใจเรานั่งกำหนดจิตนิ่งสงบเรารู้แลเรารู้แล อันไหนจริงอันไหนปลอมเรารู้แล้วอันไหนเป็นแก่นอันไหนที่ไม่ใช่แก่นอันไหนที่อยู่กับชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตเราเริ่มรู้จักละยมงพอเข้าใจยมแยกแยะได้พอแยกแยะได้นี่ยังไงยังไงจิตจะไม่หลงทางและนั่นแหละคือการสร้างทำให้เกิดในจิต และวิมานแห่งคุณความดีทั้งหลายสุคติเจ้าก็จะบังเกิดอยู่ในจิตของผู้ภาวนาพอวันที่เราจากโลกนี้ไปโยไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะไม่มีที่ที่ไปและไปดีด้วยโดยเฉพาะคนสร้างบุญสร้างกุศลอยู่บ่อยๆนะไม่ต้องกลัว คนที่น่ากลัวคือคนที่ไม่ได้สร้างบุญกุศลแทนพอจิตเราเริ่มสงบลงเย็นลงกุศลเกิดขึ้นเมตตาเกิดขึ้นความพยาบาทลดน้อยถอยลงไปใจเราก็ดีขึ้นดีวันดีคืนสุดท้ายดวงตาที่ยมมองจะบอกตาเห็นธรรมเรามองเห็นที่สุดโดยความไม่ยึดว่ัตถยง เห็นโดยความไม่เที่ยงและโยมก็ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องไปติดกับมันมากใจรู้แล้วพอถึงวันหนึ่งเราต้องจากโยมจะไม่อะไรอาวอนเลยเราใช้คุ้มแล้วโยมต้องพูดกับตัวเองนะสุดท้ายเราต้องรู้แล้วเราบอกเราพร้อมนะที่จะไป เราเตรียมไม่หมดแล้วอตมาจะบอกคนที่เป็นเป็นอยู่ตอนนี้บางคนเตรียมเรื่องค่าใช้ใจ่ายงานส่งงานศพเขียนจดไว้หมดอตมาบอกไม่สำคัญอะไรเลยตายแล้วใครจะเผาไม่เผาใครจะไว้ยังไงก็สุดแล้วแต่อตมาต้องการให้โยมเตรียมชีวิตหลังความตายมากกว่า แล้วก็ทำตอนชีวิตที่ยังเป็นเขาบอกทำบุญต้องทำตอนตาเห็นเห็นไม่ใช่ไปเขียนได้ยอย่างดีถ้าฉันตายนี่มนมุษย์พลาดมัเทศให้ฉันเจ็ดวันเจ็ดคืนโทรทำไมไม่ฟังก่อนตายล่ะที่เขียนนึก ว, ว่าฉลาดนต้นเนี่ยแต่มาบอกโง่โง่โง่โง่โ ง, ง่คือเข้าใจหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้า ให้ตอนมีชีวิตยอยู่ดันไม่บอกเออเปนนิมนต์พระมาฉันจะฟังเจ็ดวันเสร็จแล้วฉันก็จะตายอันนี้มาเมื่อฉันตายนิมนต์พระมาเทศด้วยนะแต่ตอนฉันมีชีวิตยอยู่อย่านิมนต์ ม, มาแล้วแล้วนิมนต์ ม, มามาให้ลูกหลานฟังใช่ไหมโอ้ถึงบอกเออจะทําอะไรก็ทําตอนตายเนี่ยเห็นนะโย โยมยังข้างค้างอะไรที่อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลถ้ายังมีความตรณีติดอยู่ในชีวิตจิตโยมสลัดออกแล้วก็ทำทำให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับจิตเมื่อยามที่เราจากโลกนี้อะไรก็ไม่ติดตัวไปที่จะมาบอกตรงนี้โยมไม่จำเป็นต้องมาทำที่ตรงนี้ แต่อยากให้โยมได้มีกุศลติดตัวเท่านั้นที่เป็นห่วงพอโยมมีบุญติดตัวจะมาไม่ห่วงนะอย่างน้อยเขาก็มีบุญคุ้มครองอย่างน้อยเขาก็ได้เคยเจริญสติเคยอบรมจิตยังไงยังไงภูมิธรรมก็ต้องรักษาให้เขาไปสู่คติพบที่ยังเจอแสงสว่างในเรื่องของ โลกแห่งธรรมอยู่ฉันบอกเออโยมปฏิบัติไปนะรักษาศีลฟังธรรมภาวนาแผ่เมตตามีโอกาสสร้างบุญทานบรารมีทำได้เราก็ทำเราเตรียมไว้แล้วพอวันหนึ่งเราจากไปนะใจจะไม่เศร้าหมองโยมต้องไม่ร้องให้กับใครอีกเลยนะอย่าอย่าร้อง ไม่ใช่เวลาร้องเถ่นะเป็นเวลาที่โยมจะมีความสุขที่โยมจะจากไปอีกพบหนึ่งอา่าพอถึงจุดหนึ่งโยมจะเข้าใจนะก็โยมดูพระเดจเจ้านะไม่ได้พราโอ้เราอีกสามเดือนจะต้องนิพพานพระองค์จะต้องมาโศกเศร้าเสียใจมินนำซ้ำกลับคนที่อยู่ต่างหากที่โศกเศร้าเสียใจแต่พระองค์ที่จะจากไปพระองค์ไม่มีอะไรต้องต้องโศกเศร้าเสียใจ พระองค์ไม่ได้มีทุกข์อีกแล้วแต่คนจู่ยังมีทุกข์จริงเสียดายว่าพระองค์ไม่น่าจากไปเลยฉะนั้นโยมใชใ้คุ้มนะโดยเฉพาะไหวพระสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานจนจิตของเราสามารถละโลภโกรธลงได้ในที่สุด และยอมจะอดทนต่อสิ่งที่ทนได้ยากทุกๆอย่างขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน